ก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อพูดหลวงพ่อกันแล้วกันนะคณะสัตยาติโยมลูกหลานเพราะอายุของหลวงพ่อเนี่ยเจ็ดสิบปีนะลูกหลานนะผู้ที่มีอายุมากกว่าหลวงพ่อก็เรียกว่าพี่พีนะพี่พี่ถ้าหากว่าอายุน้อยกว่าเอาหลวงพ่อเรียกหลุงพ่อก็แล้วกัน แล้วก็ก่อนที่จะสมาทานสินเมื่อกี้นี้คณะทาย า, า, าติโยมได้กล่าวรัตนาสินมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัชนัถายะแต่การกล่าวรัตนาสินมีอยู่สองอย่างสินหนั่บางถิ่นก็บางครั้งกว่ามะยังพันเตติสรณณนสหะปัญจะศีลานิยาจามะแต่ทำไมารัตนาสิน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 อันนี้คือปัญจะแต่มวิสุงวิสุงรักนัดถายะข้าพเจ้าไม่มั่นใจในการรักษาสินของข้าพเจ้าในครั้งนี้คราวนี้ข้าพเจ้าขอรักษาปิดสินเป็นข้อๆคือตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5้ามว่าข้าพเจ้าได้ร่วงเกินในร่วงละเมิดสินข้อที่1น่ินข้อที่1ก็ขาดไปยังเหลืออีก4่ต่อไปเมื่อเราทา ขาดข้อที่2องอยังเหลือสามเป็นอันว่ามือยังปันเตวิสูงวิสุงเรารักษาเป็นข้อๆแต่เมื่อยังปันเตตีสระเนนัสหาปัญจะเราเรารักษาศินรวมทั้ง5ข้อแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองทับถ้าจะรักษาศินทั้งทีนะควรจะรวมกันทั้ง5ข้อเอาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เลยเพราะเราได้ตั้งใจ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 ผู้เข้ามาอยู่ภายในท่านก็ให้รักษาศินสิบสำอย่างส ม, มนเนณ์และสินสร้อยยสําำหรับพระแต่สำหรับคณะสัตยายา จ, จมผู้มีภาระพันธะธุระมากเอารักษาศินห้านี้กับน่าจะเพียงพอทำให้โลกทั้งโลกอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะนั้นท่านจึงให้สมาทานเพื่อให้ศินห้าเพราะนั้นออก่อนที่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 เพราะคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นในขณะที่เราดืม่มเราเสพมันขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วเสียหายในทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ล่าลประร่วงสามีภรรยาลูกหลานของ ใ, ใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะคนขาดต ส, ส, สาติเพราะนั้นสินข้อที่หาเป็นสินที่อันตรายเพราะคนทำให้คนขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วทาความชั่ว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 พระมาตัโลกาติปัิสหัมปติกันั่นเจลีนที่วังยาจ า, า่าจัตสันติประอจาติกายังเตเษสุตรรมังอนุคัมปิมังปัจจังเอ่อัลอาธนาธรรมพังกากันอัลอาธนาธรรมอุตรคงจะแตกแตกต่างกันบ้างนะ <c oughs>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 เขียวที่เป็นคูบาอาจารย์ของท่านเห็นว่า อ, อายุพัรษามากแล้วเนียมาอขอให้มาอยู่ที่วัดป่าแดงนะวัดไม้ขาวเนาะวัดไม้ขาวนะก็ได้มาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่ตลวงพ่อเออหมอและละเพราะอายุพรรษาก็มากแล้วเราเป็นคนทางภูเก็ตพังงาของพวกเราอีก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 ครูเบาเวกเนี่ยไปอยู่กับหลวงพ่อถึง9ปีนะกัตัดทายญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อไสอนแบบลูกลูกห ล, ลานแบบธรรมะธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบายอาจารย์พาทาเนินอย่างไรนะหลวงพ่อกับแมะแนวบอกกล่าวลูกหลานทุกองเดี๋ยวนี้ก็มีพระทั้งหมดในวัดของหลวงพ่อก็ผมเดี๋ยวนี้มีอยู่ 30- 30รูปนะในพรรษาเนี่ยก็ประมาณชัก40กว่าองค์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 เหนื่อยไหมไม่ต้องพูดถึงอายุของหลวงพ่อถึง70ปีขนาดนี้จะไม่เหนื่อยได้ยังไงใช่แต่จะทำยังไงได้สรุปแล้วก็คือน้าจิตน้าใจใจเป็นผู้ตั้งใจทั้งสองกลุ่มสองฝ่ายหลวงพ่อเองก็เห็นพวกเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายเอาพ่อคงจะพอไหวอยู่มั่งหลวงพ่อมาเดงเสียสะละลงมา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 ไปงานไปวัดโยนพึ่งพบกบหลวงพ่อตอนเช้าก็ได้ถ้าพู้อยู่แถวนี้ก็อยู่แถวนี้ล่ะนี่นะถ้าอยู่แถวนูนะ้นไปวัดหลวงพอ่อที่หลวงพ่อพักก็ได้วันพุงนี้นะ <c oughs> เอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นนะนะที่นี่นะอพอหลวงพอ่อฟังฟังดูแล้วคนนี้นะโยมของ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 คุณปู่คุณตาคุณพ่อของเราเนี่แหละทุกคนก็มีความสลดพดหู่ทางด้านจิตใจแต่จะทำอย่างไรได้เพราะพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เจ็บตายอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นแล้วแต่พระพุทธเจ้าเองถ้าพวกเราศึกษาในพุทธประวัติประวัติของพระพุทธเจ้า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 ระลึกชาติผลหลังใดปุพเพน้ว่าสนานุสติยาณความเป็นมาของเรามาอย่างไรจึงมาอยู่จุดนี้พอถึงเที่ยงคืนท่านก็มองดูสพรพพสัตทั้งหลายอย่างมองออกไปข้างหน้าอย่างเห็นพวกคณะสัตยาญาติโยมที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อมาจากไหนแต่ละคนทำไมไม่เหมือนกันทำไมมีความทุกจนไม่เหมือนกันรูปร่างกลางตัวไม่เหมือนกัน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 ท่านก็บอกว่ามาจากอวิชชาอวิชชาปัจจยาสร้างข่าราสร้างข่าราปัจจยาวิญญาณังอันนี้ก็คือใจของเรามาจากตัวความโง่คือตัวไม่รู้เกิดมาจากตัวไม่โง่เกิด ม, มาจากตัวโง่ตัวไม่รู้เนะ่เพราะนั้นไม่เลยกว่านั้นพระองค์บอกว่าใจดวงนี้มาจากตัวอวิชชาเป็นพื้นฐานอวิชชาปัจจยาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารนีเกิดวิญญาณ จนถึงโสกปฏิเทวทุกโธมณสุขอุปายาตร้องให้พิไรรำพันออกมาจากตัววิชาตัวไม่รู้แล้วจะทำอย่างไรพระองค์เองค้นหาวิธีการที่ว่าจะทำอย่างไงจึงจะไม่เกิด น, ะนั่นแห ะ, เ, ะเพราะใจดรงนี่มันเกิดมันจึงมีตายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงค้นหาศึกษาค้นคว้าศึกษาติจะทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดท่านจึงได้ดู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 เป็นที่พอใจพ่อครูพ่พอแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ได้เรียนทางป ร, รีนมหาป ร, รีนท่านได้ศึกษาทางปริยัดและปฏิบัตได้ศึกษาทำปฏิบัตกับหลวงปู่มั่นท่านก็ได้เขียนออกมาเป็นประวัติหลวงปู่มั่นหรือทำมามเละขีดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่แทศอย่างนี้เป็นต้นนะหลวงปู่แทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ต่าง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 กับทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้พวกเราก็ควรจะศึกษานันของหลวงพ่อเองในฐานะที่ว่าเป็นพระลูกหลานเหลนรุ่นเหลนของหลวงปู่มั่นรุ่นเหลนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อจะได้นำทำคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นนมาแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายหลวงปู่มั่นนะท่านสอนหลวงปู่ต่างๆคืง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 เป็นเลขหนึ่งฮะหายใจออกเป็นเลขสองหายใจเข้าเป็นสามหายใจออกสี6ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิถึงรนะ้อนะหายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่นะขี้คู่ขี่คู่ขี้คู่ไปถึงรนะ้อยนะถ้าไม่เผลอแล้วนะกลับมาม า, มาอีกออถึงร้อยอีกถ้าว่าไม่เผลอสักสามสีห้าหกครั้ง เ, เราจะยังค่อย บริกรรมพุทธโถต่อที่นี่โดยมากมันจะเผลอไม่ใหม่นะไม่ใหม่ตั้งต้นให้ไหมให้เข้มแข็งอีกอไม่ให้มันเผลอเมื่อมันเผลอมันจะเผลอยังไงมันเผลอคล้ๆมันจะเบอเบอร์เบอร์เอร์เข้าไปหายใจเข้าเอเป็นเลขขี่ใช่ไหมหายใจออกเป็นเลขคู่พอมันเผลอเข้ามาไปหายใจเข้าเป็นเลขคู่ได้ทีนี่หายใจออกเป็นเลขขี่เอมันสลับกัน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 เออน่แหละอันนี้คือการเป็นการฝึกสตินะคณะสัทยาธิโยมลูกหลานนะเอ่อเมื่อเรานั่งภาวนาเมื่อเราไม่เผลอแล้วไงนับถึงร้อยก็ไม่เผลอจากนั้นสติของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคนที่มีสติดีนี่แหละเออคนที่มีสติสัมปชัญญะที่ดีเนะี่ยอัลไซเมอร์ก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเออบ้าๆเบอร์เบอร์มันก็ไม่มีไม่มาไะ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 รถคันนี้มันแก่หมดสภาพแล้วอย่างคุณยมคุณพ่อน้อมของเราปู่คุณตาคุณปู่ของเราเนี่ยหมดสภาพแล้วรถคันนี้อ่าันหมดสภาพลูกสูกมันก็ติดเอออะไรมันก็เสียหมดแล้วสินี่จะทำยังไงได้โซเฟอร์ของท่านก็ต้องออกจากล่างแลยสินี่หนีออกจากรถคันนี้พ่อนี้ออกจากรถน่ะจุดนั่นแหละสำคัญสินี่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 พพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่า น, นบอกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะลูกหลานคณะสัตยา ญ, ญาิโยมน ะ, อ, ะอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาสิตเบื้องต้นว่ามรณงเมภาวิสติขยะวยะธรรมมาสังคาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาติสังขารทั้งหลายเนะี่ยบอกเราทั้งหลาย เ, เกิดมาแล้วนะ่ะต้องตายแน่